เพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติจึงเรากำลังศึกษาอยู่ให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วจังไม่เข้าใจก็ให้เข้าใจได้ ความลอยความสงสัย <c oughs> ให้หมดไปามความหมายที่ถูกต้องกับการศึกษาในสิ่งที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงนรรมาร์พระสูตรได้ว่าสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรที่ ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ตัดชลูเป็นพระอรหันต์ได้ประกาศพระธรรมจนเกิดเป็นหมู่สงฆ์วาศกวาชิกามีวัดวาอาลามมี ศาสนาะเป็นพุทธศาสนาหมาถึงพวกเรานี่เรียกว่าสูตรสติปัฏฐานสูตรนี้ไกลจนปฏิเสธไม่ได้สติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรของชีวิตเราไม่ใช่สูตรนอกจากชีวิตเลยชีวิตของเราก็มีกายมีใจ นอกจากกายจากใจแล้วไม่พอมีอะไรเกิดอยู่ที่นี่มีผิดมีถูกมีสุขมีทุกข์มีอร่อยอยู่ที่กายที่ใจนี่มากมายแปดมือนสี่พันเรื่องเราจึงมาเรียนให้ตู้แจง้งซะเรียกว่าปฏิบัติธรรม กรรมฐานภาวนาจึงมีการกระทาจึงมีการฝึกหัดสอนตัวเองดูตัวเองดูแลตัวเองรักษาตัวเองแก้ไขตัวเองในสิ่งที่เราศึกษามันจะไม่ค่อยมีคำถามมันจะมีแต่คำตอบ ท้าไม่เห็นไม่ใช่รู้ท้าไม่เป็นไม่ใช่รู้ถ้ามันเห็นเนี่ยสูตรที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ทุกคนมีกายมีใจเมื่อศึกษาเมื่อผุกขดัดก็ต้องมีสติไปในกาย หลที่เราพูดกันทํากันอยู่มันก็เป็นสูตรไปมันมีเห็นกายมันก็จะให้คำตอบจากกายกายเป็นตาลาใจติเป็นนักศึกษา ได้คำตอบสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกายตอบได้หมดรู้แจง้งเกิดญาณเกิดปัญญาเพอเรื่องกายสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็รู้แจง้งจึงเห็นเป็นคำพูดเป็นสูตรเป็นวิชาการว่ากายสักว่ากายเนี่ย ไมาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเราก็ได้เรียนกันมาได้รู้กันมาเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาก็ทำอิงในเวากรร ม, รรมฐานคือที่ตั้งกาวานาคือทำให้มากให้รู้ให้มาก ความรู้สึกตัวนี่มันมีอยู่แต่เมื่อไม่ประกอบมันก็ไม่มีเราจึงประกอบสติเกิดขึ้นจากการประกอบถ้าไม่ประกอบมันก็ไม่มีอาจจะมีความหลงความสุขความทุกข์ไปโน่นความผิดความถูกไปโน่น ความผิดก็เป็นความผิดเรื่อยไปความถูกก็เป็นความถูกเรื่อยไปความทุกข์ก็เป็นความทุกข์เรื่อยไปความโกรธก็เป็นความโกรธเรื่อยไปทําไม่จบไม่สิ้นที่ว่าเรียนไม่จบ่านไม่ออกไม่ผ่านแล้ยังมีทุกขมีทุกข์อยู่ที่ว่ายังไม่ผ่านยังมีโกรธมีโรคมีหลงอยู่ที่ว่าเรียนยังไม่ผ่านยังไม่จบ จะต้องเป็นปัญหาจากความหลงก็ไปกลายเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสนรกเป็นนิรัจฉานได้การสิ่งที่เกิดจากความหลงชีวิตของเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นไปได้นั้นเป็นสีแพง่งชีวิตของคนเราในทางสีแพง่งไปสู่อบายภูมิ บางหนึ่งไปสู่กาาสนโลกเดืฉานไปสู่พมโลกไปสู่ไปสู่มนุษย์ไปสู่พมโลกไปสู่มรรคผลไปนู่น เดี๋ยวนี้ถ้าเราจะเบอยนตามสภาวะธรรมยังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นคนอยู่ก็ยังเป็นคนอยู่ต้องศึกษาถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็พอที่จะอ่านออกเขียนได้เป็นคนมันปนเปนกันหลายอย่างมีความลักมีความชัง มีจิตใจผู้ผู้แพรบคล่มร้ายคุ่มดีหรือว่าเป็นคนบางที่เราไม่กายก็เอากายไปทำชั่วเป็นโทษเพราะกายมีใจเข้าใจไปทำชั่วเป็นโทษเพราะจิตใจยังพึ่งมันไม่ได้คมร้ายคุ่มดีผู้ผู้แพรบ มีกายกายมันใช่เรามีใจใจมันใช่เราเราไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งเลยนี่ว่าคนคุ้มร้ายคุ้มดีขึ้นว่าฝันกลางวันว่าคิดนี่ว่าคนมีใจก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือคน ถ้าเราศึกษาไปก็เห็นความเป็นคนตกใจขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากความเป็นคนเห็นความหลงเห็นความทุกข์เห็นความโกรธไม่ใช่เป็นผู้โกรธไม่ใช่เป็นผู้หลงไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เห็นกายสภาวะกายไปเสร็จแล้วเห็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตสภาวะจิตเห็นธรรมสักว่าธรรม เราก็เห็นรูปเห็นนามไปตามความเป็นจริงเห็นธรรมชาติของรูปเห็นธรรมชาติของนามเห็นอาการของรูปเห็นอาการของนามมันก็พอที่จะอ่านออกเขียนได้เหมือนเราเรียนภาษาเรียนตัว อ, อ, กอักษรเรียนวิชาการต่างๆมันก็พอที่จะอ่านออกเขียนได้ ในศาสตร์ต่างๆที่เราได้เรียนมาตามสถาบันที่เรียนมาสถาบันชีวิตของเราคือเนี่ยคือกายคือใจเนี่ยเห็นแจ้งแต่รูปตรงนี้รูปภัยในตัวชีวิตรเราเนี่ยคือกายคือใจเนี่ยจนเห็นรูปทำเห็นน้ำทำ เห็นรูปทุกเห็นนามทุกเห็นรูปโลกเห็นนามโลกที่มันเกิดอยู่กับกายกับใจเนี่ยมันเป็นรูปเป็นนามเสียแล้วไม่ใช่เป็นต้นเป็นก้อนเป็นเป็นที่โย่ลงมาเหมือนเราเลียนจบศาสตร์ต่างๆมันย่อลงมาไว้ในชีวิตเราเราก็ใช้ได้ในศาสตร์นั้น แสดงได้ทําได้เมื่อเห็นรูปเห็นนามก็ใช้รูปเห็นนามรูปมันบอกนํา ม, มันบอกอันนี้คือรูปทำคือนามทำเวลามันทําดีมันทําชั่วเราก็ไม่ให้มันทําชั่วให้มันทําดีอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกับเราใช้วิชา การเรียนรู้เอาใช้ได้รูปทุกน้ำทุกสึ่งใดที่เป็นทุกข์ตามธรรมชาติของรูปของน้ำก็ไม่โปน่ไปกับทุกข์ที่เป็นการปุงแต่งหรือว่าทุกข์อริสัตยแต่ภาวะทุกข์ทุกตามธรรมชาติไม่รอ้อนไม่หนาวไม่ปวดไม่เมื่อยหายใจจินเข้ากับถ่าย อันนี้เป็นสภาวะทุกข์ต้องหายเจ้าใจเข้าหายใจออกอนทุกข์ที่เป็นนิสสนาทุกข์อนทุกข์ดวงนี้คือทุกข์ขังอ น, นิจจังอนัตตาทุกข์ที่เป็นทุกข์ส ม, มันลักษณะเนี่ยเรียก ว, ว่าทุกข์ขังอ น, นิจจังอนัตตาเสมอกันหมดอนทุกข์ที่เป็นเกิดจากสา ม, มัคคยนั่น ไม่เหมือนกันอันทุกข์ท ok ี ah <S <S ่เ <Pues> กิดจากสมุท <that way> ัยนั้นจนเห็นแจ้งละมันได้หรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเราจะมาเห็นตัวนี้รูปทุกข์ดำทุกข์รูปโลกดำโลกโลกที่มันเกิดโกรธโกรหรือเกิดหลงเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเกิด ทางนา้ำเปิดทางรูปเหรียบข้าดิือเกิดทางนา้ำโกดโลบหลงทุกข์พิจต ก, กังวลรูปสมมุิน้ำสมมุิก็มีอยู่ในรูปใน น, น้ำนี่ชื่อเฉียงเหลงน้ำที่เป็นรูปสมมุิ บางทีเราไปยืดเอาสมมุติว่าเป็นตัวเป็นต น, ตนตออกชื่อออกเสียงพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบพอเพราะเอาสมมุติชื่อเราไปพูดยกย่องสนเสริญเอาสมมุติชื่อเราไปพูดนินทาก้าวลายเนี่ยคําพูดก็เป็นสมมตุติบัญญัติมาพูดกันว่าพูดผิดพูดถูกมีตัวบทกฎไวย คุ้มครองผิดสีนผิดธรรมเพราะคำพูดติดคุกติดลางเสียเงินเสียทองเพราะคำพูดได้เพราะกายได้มีโทษมีภัยสมตมญญติวันหััิวัตถุอาการเคยตามความเป็นจริงเห็นไปเนี่ยมันก็เป็นสูตรไปเมื่อเห็นอย่างนี้ก็กลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาลู้แจ้งไม่เข้าใจสิ่งที่ก็ไม่เข้าใจเข้าใจแล้ว สิ่งที่ยังไม่รู้รู้แล้วสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งแจ้งขึ้นมาบ้างแล้วแสงแสงแสงเงินแสงทองขึ้นมาบ้างเห็นที่เห็นทางบ้างให้หลังเหลสงสยัยเมื่อเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้เวลามันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นรู้เวลามันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้ น, นี่เราก็ศึกษาไปอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติคนอื่นสอนเรา อย่าโดีว่าไม่อย่าจินเหล้าอย่าโกรธอย่าเปลี่ยนกันนะแต่เร า, าสอนตัวเองเราก็ต้องไม่สชว์ดีเราก็ไม่ดื่มเหล้าเวลามันหลงเราต้องไม่หลงเวลามันโกรธเราต้องไม่โกรธคนอื่นสอนเราเมื่อเวลาเราสอนเราต้องไม่เลยทีเดียวเปลี่ยนไปเลยนั้นมีเวลามันหลงมีเราต้องไม่หลงรู้จึกตัว ทำอย่างนี้ให้มันเป็นเอามันหลงไม่หลงหลงไปตามอะไรไม่หลงรู้ตรงที่มันหลงเทียกว่าปฏิบัติธรรมที่เรานั่งอยู่มันหลงในในท่านนั่งเป็นการปวดการเมื่อยมันคิดขึ้นมา เป็นสุขเป็นทุกข์พวก่อนนั่งกันเดินยืนนั่งงอนหมันปวดเป็เมื่อยเอาอาการต่างๆไม่มาเป็นตัวเป็นตนถ้ายังไม่เห็นรูปเห็นนามเป็นตัวเป็นตนหมดในกายก็มีตัวมีตนเกิดสุขเกิดทุกข์พวกกายในใจก็มีตัวมีตนเกิดสุขเกิดทุกข์พวกใจ ในเวทนาก็มีตัวเป็นต้นเกิดสุขเกิดทุกข์ในเวทนาในธรรมก็มีตัวเป็นต้เ น, ตนเกิดพอใจไม่พอใจพอให้ทำชั่วได้พาให้ทำความดีในธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลทําให้หลงตรงนั้นได้เราจึงมาลูเราจึงเปลี่ยนมัน่น โล้แล้วนะเนี่ยถ้าหลงก็ศักว่าหลงไม่มีค่าถ้าทุกข์ก็สักว่าทุกข์ไม่มีค่าถ้าสุขก็สักวาสุขไม่มีค่าไม่มีค่าให้เป็นแต่ศักกะว่าเรียกว่ายานถ้าสงบเรียกว่าฌานสงบก็ทําให้หลงได้คุ้งซ่านก็ทําให้หลงได้ ถ้าเป็นฌานก็อชอบความสงบนั่งหลับอยู่เป็นวันก็ได้น ว, วาชานถ้ายานมันไม่หลงมันไม่หลับมันจะรู้ฌานในอยู่ในความหลงมันเกิดฌานรู้แล้วกายสวาวะกายเออมันเกิดยานรู้แล้วกายสภาวะกายนี่ยเรียก ว, ว่ายานปัญญาขึ้นมาบ้างเรียว่ากระส กระแสแห่งปัญญ า, ญญ า, ญญ า, ญญากระแสแห่งมรรคผลนิพพานน้อยๆไปอย่างนี้มันก็มีแน่นอนเวลามันหลงก็ไม่หลงก็มีแน่นอนอยไปจนเวลามันทุกข์า็ไม่ทุกข์ก็มีแน่นอนอยไปทุกข์เวลามันโกรธามไม่โกรธก็มีแน่นอนอยไปหลงในความโกรธ ถึงโดยมันหลงโอดยานขึ้นมาลู้แจ้งอันเนี้ยนกลายเป็นวิปัชนายานวิปัชนาวิคือวิเศษยานคือนำไปสู่การลู้แจ้งนี่ว่าวิปัชนากรรมฐานคือการกระทาการกระทาคือเจริญสติอย่างที่เราโดนจงกรมสร้างจังหวะ มีสตินั่นแหละการกระทำจ่งได้ไม่มีสติสิ่งนั้นไม่มีกรรมเป็นเป็นเป็นฟรีทำดีทำชั่วไม่ก็อยู่ตรงนั้นถ้ามีกรรมฐานมันจะไม่ฟรีมีรู้สติสัมปชัญญะกรรมฐานก็มีสติสัมปชัญญะเป็นกรรมที่จำแนกให้ให้มีผลได้ มีสติก็เป็นกรรมดีหลงก็เป็นกรรมชั่วเราศึกษาเบื้องต้นก็เห็นแต่สองอย่างนี้มีความหลงมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่เป็นยานได้อย่างไรยานไปว่ามันขนส่งต้องรู้แจ้งต้องพน้นในสิ่งที่มันไม่แจ้ง ว่ามืดพ้นไปจากความมืดว่าขนส่งรือวย้อนแล้วว่าเราศึกษาอันไม่มีเหตุมีปัจจัยมีเพีมีผลมีหลักมีฐานอยู่เป็นสถาบันอยู่พรต้องศึกษาช่วยตัวเองแก้ไขตัวเองดูแลตัวเองเห็นมันทุกแง่ทุกมุมมันก็อยู่กับเราด้าแล้ว อะก็อยู่กับเราใจก็อยู่กับเราควติก็อยู่กับเราควาหลงก็อยู่กับเราเราก็ช้อยเวลามันหลงก็รู้อย่างเนี้ยหรือว่าทําให้มันเป็นเรียว่าฝึกหัดไม่ใช่รู้รวมรู้เนี่ยคนอื่นสอนเราแต่ความเป็นนี่เราสอนเราทำให้มันเป็นอย่างเนี้ยเรียกว่า ถาบันก็ได้ <c oughs> ยังมาทำอันเป็นสาละไม่เป็นหมันเปล่าสร้างความรู้ก็มีความรู้ได้ทันทีทันทีเป็นปัจจตตังทันทีแล้วมันหลงก็รู้เป็นปัจจิตตังเปลี่ยนร้ายเป็นดีหรือว่าภาวนาเปลี่ยนผิดเป็นถูกหรือว่าภาวนา เปลี่ยนหลงเป็นรู้ด้วยภาวนาเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ด้วยภาวนาเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธด้วยภาวนาให้เป็นนักภาวนาให้มันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยทุกคนเป็นนักภาวนา <c oughs> นักเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูก <c oughs> เปลี่นทุกข์เป็นไม่ทุกข์ อาวนาไม่ใช่กิยามท่าทางแต่ว่าเราหัดนี่ก็หัดขีดแต่เขียนไปก่อนถ้ามันเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดมันรู้แล้วอย่างนี้เราจึงมาหัดตัวเองแท้ๆนี่แ่ละนี่โดว่าพระสูตรสูตรนี้เป็นสูตรของชีวิตทุกชีวิตปฏิเสธไม่ได้เรามีหลงมีรู้ มีทุกมีรู้มีสุขมีรู้อะไรต่างๆอยู่มันตรงกันข้ามอยู่จนถึงก็มีเกิดมันก็ไม่ไม่เกิดมีเจ่ก็มีไม่เจ่มีเจ็บก็มีไม่เจ็บมีตายก็มีไม่ตายหมายไปทางถึงที่โน้นจบตรงโน้นเริ่มต้นจากผ่านตรงนี้ไปก่อนเหมือนเราเรียนเกรดดีมันก็ผ่านไป ชั้นส kind of ูงๆได้ตารการศึกษาใส่ใจของเราแต่ว่าการศึกษาวิชาออกไปข้างนกต้องหัวต้องอาศัยหัวคิดปัญญาจึงเรียนได้แต่การศึกษาชีวิตของเราไม่ต้องอาศัยปัญญาหัวคิดอะไรเหตุผลอะไรแต่การสัมผัส ตรงๆเข้าไปเช่นความหลงเนี่ยความรู้เนี่ยไม่ใช่หัวคิดเหตุผลการกระทาลงไปเลยเอาการกระทาลงไปไม่ใช่เหตุผลทําไมทําไมจึงหลงทําไมจึงไม่รู้ไม่ต้องมีตรงนั้นไม่ต้องหาคําตอบไม่ต้องมีคําถามทําลงไปแล้วมันหลงก็รู้หลงไปง่ายๆ ง่ายง่ายเห็นหลงเป็นลูกอยู่ด้วยกันมีที่ใดมีตัวหลงที่ลูกมีอยู่ที่นั่นนั่นไม่ยากอย่าไปทำไมถ้าทำไมอยู่มันก็เสียเวลาคนอื่นเขาทำได้เราทำไม่ได้ไปอีกเสียแล้วยึดมั่นถือมั่นสาคัญมั่นหมาย ก้อนดินเก็ดีกว่าเราเราเร็วของเขาเขาเลกว่าเราเราเร็วกของเขามันก็ไปเสียเวลาอยู่โอ้เป็นนักบวชเราเป็นโยมเอมีกิเลสต้องให้เรามีกิเลสมากไปอีกขันใหญ่เลยบางคนก็เอากิเลสมาตดลองผมกิเลสมันมากไปพอกพูนเหมือนดินพอกหัวโง่เข้าไปใส่โทษตัวเอง บางทีถึงกับกล่าวตูพุทธพุทธสมัยทุกวันนี้มักผลนิพพานไม่มีพระอรหันต์ไม่มีไปเสียแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่มีศรัทธาในการทำวามดีทำชั่วดีง่ายไปทำดีรี่ยากทำไม่ได้เลยทำดีมีเหมือนกันในโลกเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาชีวิตของคนมันเป็นอย่างนั้น ามาลูกแจ้งแล้วนี่ให้เป็นมนุษย์สูงขึ้นมาให้มันสูงอะไรสูงสติมันสูงสติมันมากที่ใจมันสูงไม่ต่ำพอเห็นหล ไ, ไม่เป็นสูงแล้วมันหลงไม่สยบอยู่กับความหลงลูกจากความหลงขึ้นมาสูงขูบความหลงความลูกเนี่ยมันทุกข์สูงกูบความทุกข์ความรู้สึกตัวเนี่ย มันโกรธตัวสึกตัวมันสูงขั้วทำไม่ได้ถ้าโกรธถ้าทุกถ้าหลงก็เปื้อนผมขืนตัวเองตามต้อยแต่ล้วไม่หลงในเวลามันหลงมันสูงขึ้นมาผมใจยกมือไหวตัวเองนี่มนุษย์แต่ว่าผู้ใจสูงเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงจิตใจมันสูง เหมือนนึงยยงมีดีที่เราขนโยงมันบินได้เพราะปีกมันถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนเป็นคนมันก็ต่ำอะไรมาสุกสุกไปเลยทุกๆุกไปเลยมันต่ำมันคอบกรรมได้เหมือนบ้านหลังต่ำหน้ามาก็ท่วมไปเลยแล้วบ้านอยู่ที่สูงหน้ามันก็ท่วมถึงจิตใจก็เราเนี่ยมันสูง ไม่มีอะไรท่วมได้นี่มนุษย์ภพมโลกก็มีแต่เมตตากรุณาอยู่เป็นสุขเป็นสุขมีเหมือนกันตรงภพโลกแต่ว่าภพมโลกที่เป็นสุขสักขสวรรค์เนี่ยไปถึงมรรคผลที่พ่านไม่ได้ต้องกลับมาเป็นมนุษย์นี่อีกมีใจสูงนี่อีกอย่าไปหลงบางทีหลงในความสุขเป็นฌาน ว่าไม่รู้จักวันกลางวันกลางคืนไม่รู้จักอะไรเลยอยู่ในชานนี่เหมือนกันบางที่ก็อยู่เช่นนั้นต้องเป็นฌานบัญญาญาน์จนถึงความเป็นพระบริสุทธิ์พระแปลว่าผู้บริสุทธิ์ไม่เปิดเพื่อนจิตใจบริสุทธิ์ ไม่ปเปลืเปลือนความทุกข์ความโกรธความโรคความหลงความเลอความจังมีจะเห็นมันแม้มันมีอยู่ก็เห็นมันมันต้องมีแน่นอนในโลกนี้พวะมีตามีหูมีจมูกดิ้นกายใจก็ใช้มันให้มันเกิดหยานขึ้นมามันรู้แจ้งเห็นไหลผิดเห็นถูกะมันรูน้อย่างนี้แล้วว่าหยานปัญญายานใจก็บริสุทธ์ เห็นเนี่ยมันบริสุทธิ์นะเป็นเนี่เป็นเพืเ่อนะเห็นกายบริสุทธิ์แล้วเห็นเวทนาไม่ใช่เป็นเห็นมันโกรธบริสุทธิ์แล้วเห็นมันทุกข์บริสุทธิ์แล้วมันก็เริ่มเป็นไปในตัวทันทีตัวเนี้ยมันมีผลไปนในตัวอย่างเนี้ยปฏิบัติตรธรรมเอาอะไรมาต่อรองไม่มีอันต่อรองเลยไม่มีเหตุผล ไม่มีคาอธิบายเหนือคำอธิบายสภาวธรรมจริงๆอธิบายความรู้เป็นไงอธิบายความหลงเป็นไงอธิบายความโกรธเป็นไงอธิบายความไม่โกรธเป็นไรมันต้องเห็นเสียก่อนให่แต่เห็นความแจ็บความเจ็บความตายก็ไม่ต้องอธิบายถ้าเป็นสองมรักษณะเป็น ถ้าเป็นอริสัต์เนี่ถ้าเป็นเลสสัต์นี่ก็ง่ายๆถ้าเป็นเลสสัตเพราะเหตุเพราะผลเพราะเหตุมันจึงมีผลถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลอะไรมันเกิดที่เหตุมีมีแค่นี้อริสัตเป็นเป็น เป็นทฤษฎีที่ยอดเยี่ยมแต่เป็นทฤษฎีถ้าหลักก็เป็นหลักตายตัวเชนเนหลงเช่นทุกเนะี่ยไม่ใช่ทุกนี่จะเป็นเป็นเหตุตัวที่มันทุกเกิดทุกนะั้เป็นเหตุเนี่ว่าตัวหลงนี่แหละสมุทัยคือสภาวะที่หลงเนี่ยเอาอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างเนี้ยมันหลงนี่แหละคือตัวสมุทัย เมื่อมันหลงก็ไปไกลเกิดทุกข์เกิดสุข ก, ก็เลยได้สมุทัยต้องต้องดับดำไงสมุทัยเห็นเหตุมันคือสมุทัยก็ต้องเปลี่ยนความหลงไปความโลภหรือละและวะ้วว่าละสมุทัยการละสมุทัยทำมาเรียกว่ามัดมัดคืออะไรมัดคือดูเนี่ยอะอีกอันหมาใช่มัดคือ เั่นสัมมาทิฏฐิสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาจาวายมะสัมมาสติสัมมาสมิปดอย่างต้องไปเรียนเอาัมาสติเป็นอย่างไรเล้วกายเยกายยานุปสิเมือละติที่สูในทราไว้นนี้นี่มีสติเห็นกายในกายเป็นประจำอาาปิสมฌานอติมาว้นวโรเจ ตอนความพอใจเลยเราสวยกันอยู่อ๋อนั่นเป็นเป็นวิชาการแต่ปฏิบัติการมันมน้อยๆมักคือดูนี่เลยเอา้าดูโลกก็ต้องเห็นแน่นอนตอเห็นเราไม่เป็นเนี่ยเรียกว่ามันอยู่ในตัวแล้วเป็นมักเป็นผลแล้วนี่โรกคือทำไหมทำให้แฉ้งแฉ้งจริงๆ นี่คือหลงนี่คือไม่หลงไม่มีคำถามใครแจร้งเช่นหลงไไปถามใครไหมไม่คิดหน่อยโกหกไปถามใครไหม <laughs> ไม่ต้องนะฉันโกหกหรือยังเนี่ยฉันหลงหรือยังฉันทุกข์หรือยังนะี่จนให้คนบอกใอ้รูปแบบของอบายภูมิเอาวงจากผลหัวตัวเอง ยังยิ้มอยู่พอใจในความโกรธนะวนเดือนบอกว่าใช่มันโกรธนะแล้วก็พอใจในความโกรธคงเห็นคงจะเป็นดอกลัวนะบอกมันก็ไม่รู้พวกก บ, บายนักพรหมนะมันอาหารคนละอย่างกันแต่โกรธพวกก บ, บายสันรกเนี่ยมันโกรธไปได้ตราบใดที่มันต้องขึ้นมาเป็นมนุษย์เฉยโคนจึงโปดมันได้ เช่นความโกรธเราจะไปที่วายความโกรธเนี่ยให้คนที่มีความโกรธมันไม่ได้หรอกก็ลบหลีกไปก่อนเอาชนะเขาด้วยความไม่โกรธไม่ใช่ชนะความโกรธด้วยความโกรธลบเหลีกให้เป็นหลีกช่างจีบบ้าเหลีกคนบ้าล่อยเส้นก็หลบเป็นปีกลู่มเหตุหลี ก, เ, ก, ลกเป็นหาให้ไปซะก่อนเแยกว่าเกี่ยวข้องกับภูมิของคนให้เป็น เรียกว่าเรียกว่าโบราณท่านเรียกว่าการทาบุอุทิศให้ถึงผู้ตายหรืออย่างได้ไหมถ้าเราอธิบายตามความจริงถ้าคนที่ตายเขาเป็นภูมิอะไรถ้าเป็นจรรโลกก็ยังไม่ถึงเขาเพราะจรรลโลกเขาเสวย่วากรรมของเขาเป็นทุกข์เป็นโทษ ก็เมื่อไรเขาเป็นปัจาชตูนชีวีกำลังแสวงัหาที่เกิดเป็นสิ้นกรรมมาแล้วสิ้นกรรมมาแล้วพ้นแล้วจะต่อสวงหาที่เกิดดอบขนทานของญาติพี่น้องอุทิ่ใายอันอย่างนี้ก็ได้เหมือนคนหิวคนหิวลอพอให้ข้าวเจนก็ ถ้าไม่มีข้าวเยนก็หิวอยู่เอาช่วยตัวเองม่ได้เพราะกรรมของเขาหรือว่าภูมิของเขาเราจะอธิบายให้เขาไม่ได้คนที่โกรธเนี่ยจะรับความโกรธทุกความโกรธไม่ได้จึงจึงเป็นหลักอย่างนี้คีวิตของเราเห็นอย่างนี้นะ เห็นมันทุกข์เนี่ยมันจะไปทุกข์ได้ไงเห็นมันโกรธจะไปโกรธได้ไงถ้าเป็นผู้เป็นเลมก็ไม่เหน็นก็ต้องโกรธอย่างนั้ น, นก็จนตายเหมือลองตาเล่าเรื่องเพื่อนที่รักสองคนคนหนึ่งตายไปไปเกิดเป็นหนอนคนหนึ่งตายไปเกิดเป็นเทวดา คนที่เป็นเทวดาเห็นมีความสุขก็เลยหาเพื่อนเพื่อนกูกไปอยู่ที่ไหนหนอจากกันมานานเหลือเกินธรรมดเพื่อนกันเราคิดถึงกันพอตามหาไปเจอเป็นหนอนอยู่ในช่องซุวมพร ะ, ะงดอยู่ในคูดอยู่เพื่อนก็ร้องขึ้นมาเพื่อนเอ้ยมาอยู่นี่ทําไมเอ้ยไปอยู่ด้วยกันขึ้นมาขึ้นมาไปอยู่ไหนไปอยู่สวรรค์ น, นู้น ส so, วรรคมันดีอย่างไง mm hmm. เพื่อนก่อนที่ไหวให้ฟังส so, วรรค์มันก็ดีไม่ต้องต้องอะไรไม่ต้องหมุกมุ่นอยู่นี้ถึงเวลาจะกินก็มีกินเวลาจะทำอะไรก็มีจะคิดจะกินอะไรก็ได้คิด <c oughs> จําเป็นต้องคิดด้วยหรือจะกินอะไรอ้าวจะกินอะไรมันก็ต้องการอะไรมันก็มีมาเลย อันนี้ไม่ต้องการอะไรเล ย, เลยอยู่ใจมันก็หล่นลงมาเลยหล่นลงมาเลยสะดวกกินเออแล้วก็พอใจใช่ไหมพอใจอ่ะโอ้ยกูไม่ไปดอกท่าไหมเอาเธอมึงกินอยู่นี่มันไม่ใช่อาหารมันมีขี้นะสวรรค์มีขี้กินไหมมันยังไงทำไมก็พอใจอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้มันไม่มีคําอธิบาย นานจริงอุทิตให้ไม่ได้ต้องตัวของเราเองเนะมนุษย์คือใจมันสูงขึ้นมาจะไปโกรธได้ยังไงมันปเปื้อนมากเห็นมันแล้วความทุกข์เป็นไงความไม่ทุกข์เป็นไงดูสองทางสัมผัสความทุกข์ความไม่ทุกข์สัมผัสความโกรธความไม่โกรธเนี่ยมันจะเป็นยังไงคำถามนี้ต้องถามใคร ต้องเป็นปจจตังของเราเองนี่ว่าศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นพระประเสริฐตรงนี้ไม่ใช่พระในรูปแบบพระในพระตระทตพระสงฆ์ในพระตรตทายอริพระสงฆ์สมมุติตามพระธรรมใน พระจงในพระตะไตคือว่ายังไงก็ดูสิปฏิบัติดีแล้วสุปฏิปันโนภะกวโตฉะวะกัสังโคสงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้านานโหได้ปฏิบัติดีแล้วหนึ่งปฏิบัติตรงแล้วสองมันหลงตรงไปเข้ากับความรู้ มันตรงกันข้ามปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นแม่โกรธพ้นแล้วจากความโกรธตอนเป็นไหมลิจะพอใจในความโกรธเดี๋ยวจะเป็นหนอนนะช <c oughs> ินความโกรธนเนี่ยปฏิบัติออกจากทุกข์ให้ลู่จอกวางกายมันลู่อยู่ร้อน ม, มันเข้าลมหนาวมันห่มผ้า เงี้ยว่าใจแต่ว่าใจนี่ไม่รู้เลยสุกซนหลงก็โกรธก็หลังที่พอใจพอใจในความกาโกรธแต่กูได้โกรธตายกูก็ไม่ลืมเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนใหมปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรเป็นสถาบันไม่ผูไม่แพรไม่ผูไม่แพร่สมควรแล้วมาตรฐานเป็นสถาบัน พูนับยังไงสงพวกนี้นับเพียงโบลุดแปดคู่สี่คู่สี่คู่คือไข่นับเพียงตัวบุรุษได้แปดโบลุษคือไข่สี่คู่คือพระโสดาบันสัจจิคาคามพระนาคาเมพระอราหารันสี่คู่โสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลนี่งคู่หนึง่ง สติธา ค, ค า, คค า, าคายมัมกสติค า, าคายมีผลคู่หนึ่งอาาคลายมักอาณาคลายมีผลคู่หนึ่งอรหันต์มักอรหันตแต่ผลคู่หนึ่งอันนี้เป็นภาษาวัดวัดจถะหน่อยอาจจะไม่คุ้นโสดาปิมักคือใครกําลังละสังโยชน์สามได้โสดาบันสังโยชน์สามคาืออะไรสกกายติฐิ พอศึกษาเข้าไปเจอตัวนี้เลยใช่ไหมเห็นกายสักกายาทิฐิมีกายไหมนั่งอยู่นี่มีไหมมีสุขมีทุกข์ว่ากายไหมสาคัญเป็นไงกายร่อนเป็นกูหนอเป็นกูทุกข์เป็นกูหรือถ้าเห็นรูปทำนามทำมันจะไม่เป็นกูเห็นกายจกว่ากาย สัจเกยทิธิไม่เอากายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นกูเป็นจักจั่วสัจเกยทิธิเนี่ยไม่เอากายมาเป็นตัวเป็นตนกายในกายกายในกายคือความสุขที่มันมีสุขเพราะกายมีทุกข์เพราะกายจนกายในกายนั้นเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่เลยกายรวนรุ่นก็เป็นธาตุฉีกันหน้าธรรมาแห่กายในกายมันเกิดไปบ่อย อันกายที่มันหาพุทโธรูปมันเกิดทีเดียวนี่ยอันกายในกายสําคัญกว่าเป็นโศกเป็นทุกเพราะกายนานะหรือว่าสักการทิฏฐิละได้วิกิจิธาละได้ไม่สงสัยแล้วมันหลงมีแต่รู้เท่านั้นทําไมจึงหลงทําไมจึงหลงไม่มีคําว่าทําไมเปลี่ยนหลงเป็นรู้เลยหรือว่าไม่สงสัยแล้วมีทางอย่างนี้จี ร, ประปดาปรมาถือขว่มพุจากสิทธิ เอาจริงเอาจริงกับพิธีรีตรงไม่มีแล้วเอาการกระทําจากตัวปฏิบัติมันหลงก็รู้ทันทีมันทุกก็รู้ทันทีวิจิตรศีปรดาดับปมาศไปทําพิธีเจรเคขสะดอโชคศีลละพดไปเอาจริงแบบพิธีรีตองไปออกจากอาบัตก็ต้องไปปองอบัา ต้องไปพงอวัตอาวั ต, าตจางเบาห้าอย่างต้องแสดงต่อหน้าสงต่อหน้าพิกจุลูกได้ร่วมหนังจึงพนได้อวัตจางอาเจตต้องอยู่ปรวิวาตกรรมจรึงพนได้อาวัตหนักต้องขาดจากความภิจุนี่ทำไปไหนไอสงพละตันตายนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นตัวที่พ้นไปเนี่ย ใครก็พ้นได้นุ่งผ้าสีใดห่มผ้าสีใดชาติใดภาษาใดเป็นพระได้เป็นสงได้นี่สงพรัตจันไตถ้าสงทำํำทำไวไหนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อ้ามัดคืออะไรอ้ามัดคือมันขวางเอาไว้มันเปิดเพื่อนไว้อ้าบัดชั่วย่ามันขวงเอาไว้ไปทางขวงไว้เวลามันจะลู่ที่ใดคว่ำหลงมาขวงไว้ เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้หรือว่าพ้นหนาบัดแล้วเปลี่ยนความกดเป็นความรู้หรือว่าพ้นหนาบัตรปาราชิกคือมันปาราชัยมีแต่พ่แพ้พ่ยแพ้ต่ออารมณ์เวลาใดความกดขึ้นโย ม, ม, ม, มทําตามทุกขโมยเมื่อปาราชิกนะพวกพวกนี้ไม่มีการเปลี่ยนไล่เป็นดีหรือว่าไม่ถึงมรรคผลไม่ผ่านเลยด้านไปเลยแื่ ว, ว่าขาดจากความเป็นพระ ถ้าเวลามันโกรธให้ความโกรธเป็นใหญ่เวลามันทุกข์ให้ความทุกข์เป็นใหญ่ไม่รู้จะเปลี่ยนไงออกจากอามัดชัวยย่วหยาไม่เป็นเป็นป่าไร้ชัยไม่ถึงบังเถึงผลเอยเป็นบาปตลอดพบตลอดชดเราจะต้องเป็นมนุษย์มาเปลี่ยนไล่เป็นดีปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนได้อย่างนี้นี่บุญทั้งคือเลยบุญมันลู่แ้งมันพ้นจากบาปบาปคือไม่รู้เนี่ยเนี่ย อ่าวงวนี้ก็จะเป็นวันพระแล้วจะมีอวตวท่องตำบนไปรวมกันที่วัดปูโโ่โคทงเ้าก็เน้นวันหลวงตาให้ไปสอนแถาที่นั่นนลา จ, จะให้ว่าจะให้พระอาจารย์ไปสอนก็ดีนะไม่ใช่ให้ผมสอนตลอดเวลาเวลานี้ก็ให้ให้ให ให้เป็นพระผู้ทำหน้าที่นี่บ้างก็ดีนะไอ้บ่ายวันก็นี่จะเข้เจามารวมกันแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยเมื่อวานก็ไปเจ็บอะไรบ้างนิดหน่อยเตรียมเครื่องเสียงเครื่องลายแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็บอกพระแล้วบางทีพระก็ยังเป็นพระขายหลานกันอยู่ไม่เหมือนกับที่เราที่นี่นะเอ <laughs> ้จอกไหมพระขายหลาน เราล่องเพลงไหมขนไขลานขนไขลานถ้าไม่บอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยแล้วไขี้แจงอันนี้ไม่ดีนนี้น่ยังไม่เสร็จนะอเราก็ต้องให้เป็นเป็นแบบอย่างบ้างวัดเราให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบสะดวกสามสี่สองวันสอที่หนึ่งอะไร จะ ง, งบพอสมควรโสที่สองสะอาดจะนั่งเก้าอี้จะนั่งโซฟาจะนั่งจะนอนที่ตรงไหนเจลน้านํากาล้าให้สะอาดโสที่สามสะดวกแต่ละข้ อ, ของน้ำไม่น้ําใช่ความที่จะใช้ได้สะดวก บางทีโตนั่งไม่สะดวกโตป่วยที่นั่งป่วยต้องเปูเสียก่อนต้องพัดวีเสียก่อนไม่แต่ขี่บุญนั่นไม่สะดวกให้สะดวกจอที่สี่ว่างไงแล้วจะหามาให้สติก็ได้สบางหาก็ได้อันนี้ก็สมขวรจวละกับฟอมกัน